เอาน่ายอย่าซีเรียกเรื่องไม่ยุติธรรมเลยพี่น้องสองคนคนพี่แต่งงานแล้วคนน้องเป็นโสด ทั้งสองร่วมกันเป็นเจ้าของที่นามรดกร่วมกันผลิตข้าวได้ปีละมากมากพี่น้องก็แบ่งกันคนละครึ่งทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีทุกปีจนในกลางดึกของคืนหนึ่งพี่ชายคนที่แต่งงานแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับฉกคิดว่าไม่ยุติธรรมเลยน้องค้ายังไม่ได้แต่งงาน แต่เขาได้ข้าวครึ่งหนึ่งส่วนข้ามีพัญญาและลูกอีกตั้งห้าคนเวลาแก่ตัวข้าก็จะมีลูกคอยดูแลแต่ใครจะดูแลน้องชายข้าตอนที่เขาแก่ละ่ะเขาควรจะได้ส่วนแบ่งมากกว่าเพื่อจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ยามแก่ชรามากขึ้นคิดดังนั้นแล้วพี่ชายก็บรรทุกข้าวของตนใส่เกวียนจนเต็ม เธอแอบเอาไปเทในยุงของน้องชายในเวลาเดียวกันนั่นเองฝ่ายน้องชายก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเช่นกันและรำพึงกับตนเองว่ามันไม่ยุติธรรมเลยพี่ชายของข้ามีพัญญาและลูกอีกตั้งห้าคนแต่เขากลับได้ส่วนแบ่งแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นควรหรือที่ข้าจะรับผลผลิตเท่ากันกับเขา ในเมื่อข้ามันก็ปากเดียวท้องเดียวไม่มีใครที่ข้าจะต้องดูแลเขาจึงลุกขึ้นจากเตียงขนข้าวใส่เกวียนจนเต็มเพื่อมุ่งไปยังยุ้งฉางของพี่ชายเกวียนของทั้งสองคนมาพบกันกลางทางพอดี